ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุญญาณสัมปโนเสนอตอนที่48เปิดโครงการช่วยชาติสายกรรมในชาติปังก่อนและต้นเหตุนำทองคำเข้าสู่คลังหลวงหลวงตามหาบุญญาณสัมปโน แด้ให้อาวาาทำเอาไว้ว่าทุกวันนี้พระ อ, องค์ไหนมีคนแห่มันถึงจะขลังไปที่ไหนมีคนห้อมล้อมแล้วขลังถ้าไม่มีคนห้อมล้อมแล้วจืดชืดใช้ชไม่ได้ถ้าเป็นของขลังอยู่ที่ไหนมันก็ขลังหมดอยู่คนเดียวก็ขลังอยู่กับใครก็ขลังขลังตลอดเวลาเพราะเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องของโลกของกิเลสไปไหนก็ต้องแห่กันไปขลังนะอาจารย์องค์นั้น นี่ลูกศิษย์บริษัทบริวารมากคลั้งในตัวเองไม่ดูทําตัวให้ดีสิคนนี้พุทโธนั่นแหละคนคลังอยู่ตรงนั้นพุทโธก็คือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พอพุทโธยับขึ้นมาในใจนั่นแหละความคลังอยู่ตรงนั้นหลวงตามหาบัวยันทัมปัปโนได้เล่าชีวประวัติของท่าน ในการเปิดโครงการช่วยชาติเอาไว้ว่าวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช2541เวลาบ่าย3โมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุล า, า, าพร์ไรีรักอัครราชกุมารีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังสวนแสงธรรมเป็นประธานเปิดโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบูญญาสัมปันโนในวันเปิดโครงการช่วยชาตินั้นสังขารอันชมรุธของหลวงตา อยู่ในสภาพที่เพิ่งทุเลาจากอ า, าพาธด้วยอยุบัติเหตุทางรถยนต์พ้อมจึงกระดูกและเส้นเอ็นปวดโปลนแขนขวาที่กระดูกดอกถูกสะพายไว้ด้วยผ้าหัวไหล่ขวาที่บวมเป่งสีดำคล้ทำท่านได้เริ่มโครงการช่วยชาติในสภาพสังขารเช่นนี้ต่อมาวันที่23เมษายนปีพุทธศักราช2541เวลา 19.30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมด็จพระจมเนินเป็นการส่นพระงไปนัตสวนแสงธรรมเพื่อสงกราบนวส ก, การหลวงตามหาบุญญาณสัมปโนพร้อมกับถวายดอนล่าและจะตุปจัจจัยเทญฐานเข้าโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบุญญาณสัมปโนยังความปราบเลื่มปิติแด่เหล่าสิทธยาุสิทธิ์ของหลวงตามหาบุญญาณสัมปโนเป็น ล, ล้นพนต่อมาโครงการพระป่าช่วยชาตินี้ นอกจากจะรับบริจาคในรูปของดันลาเงินสกุลต่างประเทศเงินบาทไทยแล้วยังเพิ่มรับบริจาคทองคําด้วยเพราะหลวงตาพิจารณาว่าความมั่นค ง, งของประเทศอยู่ที่ ท, ทองคําเป็นหลักหลวงตากล่าวว่าท่านเป็นผู้ถือบัญชีและรับผิดชอบทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นขอยไว้วางใจได้ว่าเงินบริจาคเหล่านี้ปลอดภัยทุกบาททุกสตางค์หลวงตาได้ให้อว่าดว่าเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องที่เบิ้มของเราก็มี ทันยันอุตสามาเป็นประธานเป็นมหามงคลแก่เราทุกๆครั้งไปเราอบอุ่นมากเรามีพ่อมีแม่ในการดำเนินการดำเนินงานช่วยชาติของเราสมบูรณ์พูนผลด้วยผู้นำพวกเราทั้งหลายไม่ใช่ลูกกัญพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่มีแต่ลูกเต้าย่ำแยม้มทำกันไปอย่างนั้นเรามีหลักมีเกณฑ์กษัตริย์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพ่อแม่ของชาติไทยทั้งชาติเราจะต้องปฏิบัติให้เต็มเม็เต็มหน่วยสมกับเรามีพ่อมีแม่ คือวงกษัตริย์ของเราเป็นพ่อแม่ของเราให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติแล้วเราจะได้แผ่นดินอยู่ต่อไปถ้าหากว่าไม่มีอะไรเข้าสู่คลังหลวงคลังหลวงล้มตูมลงเท่านั้นชาติไทยตูมไปพร้อมกันไม่มีเหลือเองินใครกระเป๋าไหนไปด้วยกันหมดไม่มีกระเป๋าไหนจะตกค้างอยู่ได้ด้วยความร่วมเย็นเป็นสุขเหนือความร่มจมของชาติไทยนี้ไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นขอให้ภาคภูมิใจในการดําเนินของตนเพื่อสนองคุณของพระพุทธเจา้า พระมหากษัตริย์ให้เต็มภูมิของเรานะให้กตันยู่ต่อชาติบ้านเมืองผู้มีโ อ, อ ก, กาสร่าต่อเราแม้น้อยพระพุทธเจ้ายังไม่ให้ลืมบุญลืมคุณนี้ชาติไทยทั้งชาติมีคุณต่อชีวิตจิตใจเราหาประมาณไม่ได้พวกเราจะไม่กตันยู่รู้คุณชาติที่ให้เกิดอยู่เชียวรหรือเหลงตามหาบูญญาสัมปันโนดิเล่าชีวประวัติของท่านและกล่าวถึงสานุสิ์ว่าเป็นสายกรรมในชาติปางก่อนเอาไว้ว่าเหลิงตาได้เทศนาธรรมไว้ ในวันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2541เจ้าฟ้าหญิงจุฬาผนวรายรักอราชกุมารีทรงร่วมฝังพระธรรมเทศนาพร้อมกับพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทศโตมีเจ้ความดังนี้พวกเราชาวไทยทั้งหลายต่างก็เป็นสายบุญสายกรรมที่เคยร่วมกันสร้างสมอบรมคุณงามความดีมีความเกี่ยวโยงกันเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นสายวงศญาติเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหากันมาแต่อดีตการ จิงต่างมีบุญร่วมกันสร้างบารมีมหาฐานอันยิ่งใหญ่ด้วยกันเราจึงแน่ใจว่าสายบุญสายกรรมของพวกเราทั้งหลายนี้ต้องมีความเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่อดีตชาติไม่อย่างนั้นรวมกันเข้าไม่ได้ลงใจต่อกันไม่ได้เชื่อถือกันไม่ได้บริจาคไม่ได้ผู้นำเองก็ไม่ลงใจที่จะปรงใจเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายได้นี่ทั้งสองฝ่ายต่างท่านต่างมีความลงใจบริจาคหมดไปมากน้อยไม่สาคัญ สำคัญที่บริจาคด้วยความเชื่อถือด้วยความไว้วางใจเพื่อความปลอดภัยในชาติไทยของเราจึงเป็นบุญกรรมของพี่น้องทั้งหลายตลอดถึงผู้นําคือหลวงตานี้ด้วยว่าจะเป็นทางที่เกี่ยวโยงกันในบุพเพชาติปางก่อนซึ่งเคยได้สังสมอบรมคุณางามความดีและได้สร้างบา ร, รมีไว้ด้วยกันจึงได้เป็นญาติพี่น้องเป็นครูเป็นอาจารย์กันมาตลอดเวลานี้หากไม่เป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นไปไม่ได้เรียกว่า ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายลุงตาบัวซึ่งเป็นผู้นําก็พร้อมแล้วพี่น้องทั้งหลายก็พร้อมแล้วในการบริจาคและบริจาคมาตลอดผลแห่งการบริจาคของทั้งสองฝ่ายนี้จะเป็นเครื่องอุดหนุนเป็นเครื่องค้้มชูประเทศไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลําดับขอให้พี่น้องทั้งหลายมีความภาคภูมิใจในบุเพวาสนาคือที่เราเคยสร้างคุณงามความดีมาตลอดเราก็ได้พบความดีมาเรื่อยๆเวลานี้เราก็ได้พบความดี ที่จะได้ช่วยชาติบ้านเมืองของเราด้วยการบริจาคทานให้เป็นมหากุศลเพราะกุศลนี้หาได้ยากหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนรดอเล่าถึงชะตากรรมสามอย่างเอาไว้ว่าชะตาของเมืองไทยมีเราเป็นผู้นำโดยชะตานี้มันมีอยู่สามจุดจุดที่1ชะตาของประเทศไทยจุดที่สองชะตาของลูกตาบัวคือต้องตายแต่กลับไม่ตาย หมอโรงพยาบาลมาอิสติที่วัต่อบรนตาว่าเราเป็นโรคมะเร็งลำไส้ขั้นสุดท้ายเพื่อความแน่ใจจึยยงไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแจ่นทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็ยืนยันเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีราชกรุงเทพคณะหมอก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าอีกไม่นานจะต้องตายให้เตรียมตัวไว้อย่างช้าต้องตายก่อนเข้าพรรษาปีพศักราช2541จุดที่3ชืตาของลูกศิษย์ทั้งหลาย ที่จะได้ร่วมกันทําประโยชน์ใหญ่ให้แก่ชาติและพระศาสนาเมื่อท่านพูดถึงชะตากันสามอย่างนั้นแล้วท่านพยายามว่าลูกชะตาสามอย่างนี้รวมกันแล้วจะยกชาติบ้านเมืองไทยขึ้นได้หลวงตาเป็นผู้นําให้ทําตามผู้นําบอกทุกอย่างหลวงตาเด็ดลูกศิษย์ต้องเด็ดพร้อมใจกันเสียสลากแม้ขอขาดก็ต้องยอมลูกชะตายังพอมีพอเป็นไปได้อยู่ต้องสําเร็จสําเร็จด้วยคุณธรรมข้อไหนลูกศิษย์คนหนึ่งถามขึ้นท่านตอบพร้อมด้วยเสียงโวเราะว่า ด้วยธรรมะข้อสู้ไม่ถอยสู้ไม่หยุดไม่ถอยเดี๋ยวชนะเองท่านยำ้ำฉะนั้นหลวงตามหาบัวท่านจึงเทศนาธรรมปลุกใจชาวไทยชาวพุทธให้ลุกขึ้นสู้ไว้ว่าบรรพบรุษ ร, รักษาชาติจนกระทั่งเลือดทาแผ่นดินก็เคยมีมาแล้วเราทั้งหลายควรถือเป็นคติคน62ล้านคนต้องช่วยกันรักษาคลังหลวงหลวงตามหาบัวยรสัมปนโนได้เล่าถึงต้นเหตุ ที่องค์ท่านได้นำทองคำเข้าสู่ท้องพระคลังหลวงเอาไว้ว่าหลวงตาได้กล่าวต่อไปอีกว่าต้นเหตุเกิดขึ้นวันที่เราไปมอบดันลาและทองคำทีแรกที่ธนาคารชาติพอเสร็จแล้วหัวหน้าใหญ่มานิมนต์เราเข้าไปดูทองคำเขาบอกเองว่าทองคำนี้มีผู้มาดูมาเห็นมาชมมีสองท่านด้วยกันคือสมเด็จพระเทพกับหลวงตาว่าอย่างนั้นทองคาแท่งแท่งละ12กิโลครึง่ง ดูอทองคำละเอียดละออดูจะหมดเลยก็ออกไปคุยกันสองต่อสองไม่ให้ใครทราบทองคาของเราที่เกี่ยวกับประเทศอื่นๆซึ่งมีการซื้อขายต้องมีการติดหนี้ติดสินทองคําย่อมเป็นเครื่องประกันเมืองไทยเราละ่ะมีเท่าไหร่เมืองไทยทั้งประเทศนั้หนนะ่ะมีน้อยมากจนใจหายนูน่นเราสงวนมากนะสงวนชาติไทยของเราสมบัติกลางนี้เราไม่แตะเรามีแต่ขนเข้าขนเข้าระสงวนชาติไทยของเราเหล่านี้ เป็นเครื่องประดับประดาให้เมืองไทยเราเป็นเมืองศัก์เมืองศรีดีงามเราได้พยายามที่สุดแล้วสำหรับชาติไทยของเราอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาติเราขวันขวายส ะ, สะแสวงหามาเพิ่มเข้าไปมันไม่ได้ง่ายๆนะการได้ทางนี้ก็เป็นที่ลงใจของผู้ให้ผู้รับก็ลงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจรับด้วยความบริสุทธิ์ใจและความเมตตาเพื่อชาติไทยของเราเพราะอย่างนั้นจึงไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย ตกมือเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยความบริสุทธิ์พุทโธแท้